6. ราหุลเถราประทานประวัติในอดิตชาติของพระราหุลเถระพระราหุลเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ปูรากกระจกบนปร า, าสาทเจ็ดชั้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่พระผู้มีพระภาคมหามุนีผู้เป็นใหญ่ข่าเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อากว่านรชนคับข้างไปด้วยพระขีนาสก พ, พันรูปได้เสด็จเข้าไปยังพระคันทกุดี พระศาสดาผู้ทรงเป็นเทพยิ่ยงกว่าเทพทรงอ ง, งาอาจกว่านรชนทรงยังพระคันทกุฎีให้รุ่งเรืองประทับยืนในถ้ำกลางหมู่พิกสุได้ตรัสพระคทถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรอุบาสกผู้ทำที่นอนนี้ให้โช่อช่วงแล้วหรือกระจกเงาที่ปูลาดไว้อย่างดีท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดพระสาทองประส า, งะสาเงินหรือประสาแก้วไพลทูล อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจจากบังเกิดแก่อุบาสกนั้นอุบาสกนั้นจกเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ64ชาติจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิติดต่อกันพันชาติเนื่องกลับที่21นับจากกลับนี้ไปอุบาสกนั้นจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิมละเป็นใหญ่มีชัยชนะในทวีปทั้ง4มีกรุงนามว่าเรนุวดี ยาว300ยยดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประสาทชื่อว่าสุทสัศนะวิสุก ร, รมะเทพบุตรเนรมิตรให้ประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดีประดับประดาด้วยรัตนเจ็ดประการกรุงนั้นไม่สง่าจากเสียงสิปรปการพลุกพล่านด้วยพวกวิทยาธรจกเป็นดุดเมืองสุทัศนะของเหล่าเทวดาพอเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกรุงนั้นก็เปล่งรัศมี นครนั้นรุ่งเรืองเป็นนิดแผ่ออกไปแปดโย์โดยรอบในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, ศาสดาพระนามว่าโพดมตามพระโครทรงสมพบในราชสกุลโอกคา ก, า, กาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกอุบาสกนั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจากจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเกิดเป็นพระโอรสของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโพดม ถ้าหากเขาจะพึงอยู่ครองเรือนก็จะพึงได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ข้อที่เขาผู้คงที่จะยินดีในการอยู่ครองเรือนนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เป็นไปไม่ได้เขาจะต้องออกจากเรือนไปโบสมีข้อวัดอย่างดีจกสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยนามว่าราหุลพระราหุลเป็นผู้มีปัญญารักษาตนสมบูรณ์ด้วยศีล ดุดนกต้อยตีวิทรักษาฟองไข่ดุดจามรีรักษาขนหางพระมหามุนีได้ทรงเห็นเราแล้วข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นยินดีอยู่ในศาสนากําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพุทเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระราหุเถระได้พาสิกธาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ราหุลเถราประทานที่หกจบ7อุปเสนาวังคันตะปุตะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนาวังคันตะบุตรเถระ พระอุปเสสวังคันตบุตรเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนผู้สูงสุดแห่งนรชนพระองค์นั้นประทับนั่งอยู่ณเงื้อมเขาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นดอกกัิกากาลังบานจึงเด็ดขัวดอกกัญชานั้นมาประดับฉัดแล้ว บูชาพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าได้ถวายอาหารบินดาบาตเป็นข้าวสุกชั้นพิเศษจัดว่าเป็นโภชนะชั้นดีได้นิมนต์สมณะแปดรูปเป็นเก้ารูปรวมทั้งพระพุทธเจ้าให้ฉันนสสถานที่วิเวกนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาว่าด้วยการถวายฉัต และการถวายเข้าสุขชั้นดีนี้ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นท่านจากได้สวยสมบัติเขาจากเป็นจอมเทศครองเทวสมบัติส6ชาติจกเป็นพระเจาะ้าจักรพรรดิยี่สเอดชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร น, นับชาติไม่ท่วนเราบัณฑิตเรียกผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินมีปัญญาดีว่าสุเมทะในกลับที่หนึ่งแสนับจากกลับนี้ไป ผู้นั้นจากสมภพในราชาสกุลโอการากราชผู้นั้นจากเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมตามพระโคธเมื่อศาสนารุ่งเรืองอยู่เขาจากไปเกิดเป็นมนุษย์จากมีนามว่าอุปเสนเป็นสาวกของพระศาสดาจากดำรงอยู่ในตำแหน่งอันเลิศเพราะเป็นผู้ทำให้ประชาชนรอบด้านเลื่อมใสอัตภาพสุดท้ายของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าชนะมารพร้อมทั้งพาณนะเพือเสนามารแล้วส่งร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระอุปเสณวังคันตะบุตรเถระได้พาสิทธคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนีอุปเสณวังคันตะบุตรเถราประธานที่เจ็ดจบภาณวาระที่สามจบ 8. รัฐปาลเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระรัฐบาลเถระพระรัฐบาลเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ช้างเชื่อประเสริฐมีงาเงอนงามควรเป็นราชพานะข้าพเจ้าถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ช้างนั้นเขากั้นสุเวตฉารให่งดงามพร้อมทั้งหมอขมังเวชพร้อมทั้งนายขวานช้างข้าพเจ้าให้ตีราคาช้างพร้อมทั้งสิ่งของนั้นทั้งหมดแล้วได้ให้สร้างสังขารามถวายข้าพเจ้าได้ให้สร้างประสาท ห้าหมสี่พันหลังไว้ภายในวัดได้บำเพ็ญทานดังห้วงน้ําใหญ่และมอบถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมากผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาทรงแสดงอมตะบทให้ชนทั้งปวงร่าเริงอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นําซึ่งรุ่งเรืองสูงสุด จงประกาศผลบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้นให้ปรากฏโดยพิเศษประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้นี้ได้ให้สร้างประสาทห 4%, าหมพันหลังเราจะกล่าววิบากท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นี้จะมีเรือนยอด 18,00 งหลังและเรือนยอดเหล่านั้นสร้างด้วยทองคําล้วนบังเกิดในวิมานสูงสุด ผู้นี้จกเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติห0สิบชาติและจกเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิห้าสบชาติในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจักอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจากจุติจากเทวโลก ไปบังเกิดในตระกูลที่เจริญมีโภกสมบัติมากในขณะนั้นภายหลังเขาถูกกุศลโมลตักเตอแล้วจักโบทถ์มีนามว่ารัฐบาลเป็นสาวกของพระาศาสดาเขามีกิดเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นผู้สงบประงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานพระพเจ้าลุกขึ้นแล้วสละพภครสมบัติออกโบส ข้าพเจ้าไม่มีความรักในภพผสมบัติดุดในก้อนเคแลข้าพเจ้ามีความเพียรสำหรับนำพาธุระเป็นความเพียรที่นำมาซึ่งทำเป็นแดนเกษมจากโยคะข้าพเจ้าทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคู่นวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระรัฐบาลเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประกาศนี้รัฐบาลเทราประธานที่8ปจบเก้าโสปากะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระโสปากะเทระพระโสปากะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะได้เสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าผู้กําลังทําความสะอาดเนื้อเขาอยู่ที่ภูเขาสูงเทือกประเสริฐข้าพเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาปูลากเครื่องปูลากถวายอาสนะดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะ ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกได้ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้แล้วทรงทราบคติของข้าพเจ้าแล้วตรัสถึงสภาวะไม่เที่ยงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขพระผู้มีประพาผู้ทรงรู้สิ่งทั้งปวงผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชน จงเป็นนักปราดครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วได้เสด็จเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าดังพญาหงข้าพเจ้าละทิฐิของตนแล้วเจริญอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารครั้นเจริญอนิจจสัญญาได้วันเดียวก็สิ้นชีวิตณที่นั่นเองข้าพเจ้าสวยสมบัติทั้งสองแล้วถูกกุศลมูลตักเตือนมาถึงพบสุดท้ายได้เกิดในตระกูลพ่อครัว พระพเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตมีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพเจ้าบำเพ็ญเพียรมีจิตเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยดีให้พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐยิ่งทรงพอพระไทยแล้วได้อุปสมบทในกลับทีบเก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอาชนะดอกไม้ เนื้อกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เจริญสัญญาไว้ครั้งนั้นเมื่อเจริญสัญญานั้นอยู่ข้าพเจ้าได้บรรลุความสิ้นอาสวะแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสงสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระโสภากะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิโสปากะเทราประทานที่เก้าจบสิสุมังคละเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคละเทระพระสุมังคละเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะถวายเครื่องบูชาสักการะจึงให้จัดเตรียมผูชนาหาร ยืนต้อนรับพรามทั้งหลายอยู่ที่โรงกว้างใหญ่ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัต ส, สีผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงโดยวิเศษผู้เป็นพระสยามภูรทรงเป็นบุคคลผู้เลิศผู้โช่ช่วงมีหมู่สาววอ้อมล้อมรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์เสด็จพุทธดาเนินไปที่ถนน ข้าพเจ้าจึงประคองอัญชลีทำจิตของตนให้เลื่อมใสทูลนิมนต์ด้วยใจเท่านั้นว่าขอเชิญพระมหามุนีเสด็จมาเถิดพระศ า, าสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความด âm ฤิของข้าพเจ้าแล้วได้เสด็จมายังประตูเรือนของข้าพเจ้าพร้อมกับพระขี่นาศพันรูปข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอ น, นอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษ ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ขอเชิญเสด็จขึ้นปร า, าสาทประทับนั่งบนอาสนะสูงสุดเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฝึกพระองค์แล้วมีบริวารที่ฝึกแล้วทรงข้ามพ้นแล้วประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จขึ้นประสาทแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ประเสริฐอามิตรใจที่ข้าพเจ้าจัดเตรียมไว้มีอยู่ในเรือนตน ข้าพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสได้ถวายอามิตนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเกิดโสมนัสเจงประนมมือนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดว่าโอหนอพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริงหนอบรรดาพระอริยบุคคลแปดผู้นั่งฉันอยู่มีพระขีนาศจำนวนมากนี้คืออนุภาพของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะและพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปิยทัตสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาดขวานรชนประทับนั่งในทถ้ำกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเร า, าจะพยากรณ์ผู้ที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ซื่อตรงมีจิตมั่นคงและพระธถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฉันท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด ผู้นั้นจะครองเทวสมบัติยี่สิบเจ็ดชาติเขาจะพอใจกรรมของตนรื่นรมอยู่ในเทวโลกผู้นั้นจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบแปดชาติจกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินห้าร้อยชาติกิเลสทั้งหลายอันเข้าพระเจ้าเข้าไปยังป่าดงทึบที่เสือโคร่งอาศัยอยู่ตั้งความเพียรเผาได้แล้วเนี่นกลับที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระตาหารคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8แปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุมาละเทระ ได้พาสิษย์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิสุมงคละเถราประทานที่สิบจบสีหาสนญญวักที่สองจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือหนึ่งสีหาสนะทายะเถราประทาน 2. เอกะธรรมภะเถราประทานสนันทเถราประทานสจูลปันทะกะเถราประทาน หปิลินทวัชชเทราประทานหราหุลเถราประทานเจ็อุปเสนวังคันตปตะเถราประทานแปรัฐปาลเถราประทานเก้าโสปากเถราประทานสิสุมังคละเถราประทานในวรที่สองมีสิบเรื่องเท่านั้นในวรนี้ท่านประกาศค า, าถาไว้หนึ่งร้อยสาสิบแปดคาถา 3. ส, สุภูติวัตรหมวดว่าด้วยพระสุภูติเป็นต้นหนึ่งสุภูติเถราประทานประวัติในเดตชาติของพระสุภูติเถระพระสุภูติเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เนี่ยกไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อนิสพะเขาสร้างอาสมและบรรณาศาลาไว้อย่างดีเพื่อข้าพเจ้าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นชดินมีนามว่าโกศยะมีตบะแก่กล้าผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ที่ภูเขานิสพะครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ได้เกยดผลไม้เง้าและใบไม้มากิน ในครั้งนั้นเขาพเจ้าอาศัยใบไม้เป็นต้นที่หล่นเองเท่านั้นเลี้ยงชีวิตเขาพเจ้าแม้ถึงจะสละชีวิตก็ไม่ทําอาชีวะให้ความเลิศย่อมทําจิตของตนให้ยินดีงดเว้นการสแสวงหาที่ไม่สมควรเสียเมื่อใดจิตของเขาพเจ้าเกิดความกําหนัดเมื่อนั้นเขาพเจ้าย่อมพิจารณาด้วยตนเองเขาพเจ้ามีใจเด็ดเดี่ยวข่มจิตนั้นเสียว่า เจ้ากำหนัดในอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองและหลงในอารมณ์ที่ชวนให้หลงเพราะฉะนั้นเจ้าจงออกจากป่าไปเสียเถิดที่อยู่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินมีตบะเจ้าอย่าประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์เลยจงออกจากป่าไปเสียเถิดเจ้าจักเป็นผู้ครองเรือนได้บุตรในการใด ในการนั้นเจ้าอย่าให้ล้มเหลวแม่ทั้งสองอย่างนั้นเลยจงออกจากป่าไปเสียเถิดเฟินเผาศพใช้ทำกิจอะไรในที่ไหนไหๆก็ไม่ได้ไม้นั้นเขาไม่ได้ถือกันว่าเป็นไม้ในบ้านหรือเป็นไม้ในป่าและไม่ได้ถือกันว่าเป็นไม้ตามปกติฉันใดเจ้าก็ฉันนั้นเปรียบเหมือนฟืนเผาศพไม่ใช่ครหัดทั้งไม่ใช่สมณนะ วันนี้เจ้าพ้นจากภาวะทั้งสองจงออกจากป่าไปเสือเถิดข้อนี้พื่มีแก่เจ้าหรือหนอใครจะรู้ข้อนี้ของเจ้าใครจะนำธุระของเจ้าไปโดยเร็วเพราะเจ้ามากไปด้วยความเขีดคร้านวิญยูชนจะรังเกียจเจ้าเหมือนชาวเมืองรังเกียจของไม่สะอาดฉะนั้นฤาษีทั้งหลายจากฉุดเจ้ามาตักเตือนทุกเมื่อวิญยูชนจกประจานเจ้าว่า ล่วงละเมิดศาสนาก็เจ้าเมื่อไม่ได้ฟานอยู่ร่วมจกเป็นอยู่อย่างไรช้างมีกำลังเข้าไปหาช้างกุญชอซึ่งตกมันสามแห่งเกิดในตระกูลช้างมาตังคะเสื่อมกำลังในเวลามีอายุหกสิบปีแล้วขับออกจากโขลงมันถูกขับออกจากโขลงแล้วหาความสุขสำราญไม่ได้เป็นสัตว์มีทุกข์เศร้าใจซกเศร้าสันเทาอยู่ฉันใด ชาดินทั้งหลายจะขับเจ้าผู้มีปัญญาสามออกเจ้าถูกฉาดินเหล่านั้นขับออกแล้วจะหาความสุขสำราญไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันเจ้าถูกลูกสอนคือความเศร้าโศกเสียบแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนจะถูกความเร่าร้อนแผดเผาเหมือนช้างถูกขับออกจากโขลงฉั น, นั้นทองเกย่อมใช้ไม่ได้ในที่ไหนนฉันใด เจ้าเสื่อมแล้วจากศีลก็จากใช้ในที่ไหนไหนไม่ได้ฉั้นนั้นแม้เจ้าอยู่ครองเรือนจกเป็นอยู่ได้อย่างไรทรัพย์ทั้งที่เป็นของมารดาและบิดาของเจ้าที่เก็บไว้ก็ไม่มีเจ้าจะต้องทําการงานของตนต้องอาบเหงื่อต่างน้ําจากเป็นอยู่ในเรือนอย่างนี้เป็นการดีแต่เจ้าที่จะไม่ชอบมันข้าพเจ้าห้ามใจที่หมักหมมด้วยสังกิเลตอย่างนี้ในที่นั้น เรียกกล่าวธรรมกถาต่างๆข้ามจิตจากความชั่วเมื่อข้าพเจ้าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ข้าพเจ้าอยู่ในป่าใหญ่ล่วงเลยมาสามหมื่นปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงเห็นข้าพเจ้าผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้แสวงหาประโยชน์อย่างสูงสุดจึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระราศมีรังสีทองชมพูนุษ ประมาณไม่ได้ไม่มีใครเปรียบได้ไม่มีใครเสมอด้วยพระรูปเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศครั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอด้วยพระญาณเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศดังต้นพญาม้สาละมีดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในกรีดเมฆครั้งนั้นพระองค์เสด็จจงกรมอยู่ในอากาศดังพญาราชสีผู้ไม่กลัวดุพญาร้างคึกขนอง เหมือนพญาเสือโคร่งผู้ไม่คลั่งครามฉะนั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีดังแท่งทองสีสุขเหมือนฐานเพลิงไม้ตะเคียนมีพระรัศมีช่อช่วงดังแกวมณีเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระรัศมีเหมือนภูเขาไกร ล, ล่าที่บริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพน็ญเหมือนดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศ ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์เสด็จจงกรมอยู่ในท้องฟ้าจึงคิดอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นเทวดาหรือมนุษย์นรชนเช่นนี้เราไม่เคยได้ฟังหรือได้เห็นในแผ่นดินเออบทมนก็มีอยู่ผู้นี้จยกเป็นพระาศาสดาฟรั่นข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วได้ทําจิตของตนให้เลื่อมใสรวบรวมดอกไม้และของหอมต่างๆไว้ในครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ปูลาดอาศนะดอกไม้ซึ่งวิจิตดีเป็นที่เรื่องโรมใจแล้วเดือกกล่าวคํานี้กับพระพุทธเจ้าผู้เลิกกว่าสารธีผู้ฝึกนรชนว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรอาสนะนี้สมควรแก่พระองค์ข้าพระองค์จัดถวายไว้แล้วขอพระองค์เมื่อจะทำจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริงโปรดประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้เถิด พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเป็นดุจพญาครสอนผู้ไม่ครั่งคล้ามประทับนั่งบนอาชนะดอกไม้อันประเสริฐนั้นตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันพระพเจ้าได้ยืนนมันส ก, การพระองค์อยู่ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันพระศ า, าสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกเสด็จออกจากสมาธิแล้วเมื่อจะทรงพยากรกรรมของพระพเจ้าได้ตรัสพระดารันนี้ว่าบรรดาภาวนาทั้งหลาย เธอจงเจริญพุทธานุสติที่ยอดเยี่ยมครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้วจกทำใจให้บริบูรณ์ได้เธอจกรื่นรมในเทวโลกตลอดสาม0 0ืนกัปจกเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติแปดสิบชาติจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในเว้นแคว้นพันชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศราติอันไพยบูร์นับชาติไม่ถ้วนจกได้สวยสมบัตินั้นทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการเจริญพุทธานุสติ เธอเมื่อเวียนว่าตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จากได้โพกสมบัติเป็นอันมากความพร่องในโภคาของท่านจะไม่มีนี้เป็นผลแห่งการเจริญผู้ทานุสติเนี่กลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดา พ, พระนามว่าโคโดมตามพระโคธทรงสมภพในราชสกุลในโอกะคราชจากอุบัติขึ้นในโลกเธอจากสละซาประมาณแปดสิบโกด รวมทั้งธาตุและกรรมกรจํานวนมากแล้วบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคดมท่านจับให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าโคดมศักยะผู้ประเศรศสริฐทรงพอพระไทยแล้วเป็นสาวกมีนามว่าสุภูติของพระาศาสดาพระาศาสดาพระนามว่าโคดมประทับนั่งในถ้ากลางหมู่ภิกษุแล้วจากทรงแต่งตั้งท่านว่า เป็นผู้เลิศในสองตำแหน่งเคอในพระทักทินัยบุคคลผู้มีคุณและในความเป็นผู้มีธรรมเครื่องอยู่ซึ่งไม่มีค่าศึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำซึ่งรุ่งเรืองสูงสุดผู้เป็นนักปราดครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วได้เสด็จเหาะขึ้นไปยังนภาอากาศดุจพญาหงในท้องฟ้าฉะนั้นข้า พ, พเจ้าซึ่งพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงพร่ำสอนแล้ว นอบน้อมพระตถาคตแล้วมีจิตเบิกบานเจริญผู้ทานวิสติอันยอดเยี่ยมทุกเมื่อด้วยความที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติแปดสิทชาติและได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพันชาติข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ถ่วน ข้าพเจ้าได้สวยสมบัติอย่างดีนับไม่ถ้วนนี้เป็นผลแห่งการเจริญผู้ธานุสติข้าพเจ้าเมื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จะได้โพคสมบัติเป็นอันมากความบกร่องในโภคะของข้าพเจ้าไม่มีเลยนี้เป็นผลแห่งการเจริญผู้ธานุสติในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลย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 2. อ, อุปวานเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระอุปวานเถระพระอุปวานเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสามพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทัง้งปวงรุ่งเรืองดังกองไฟเสด็จเับขันทปริิพาแล้วมหาชนมาประชุมกันบูชาพระถาคต สร้างจิตกาธานอย่างงดงามแล้วช่วยกันยกสรีระขึ้นวางไว้ชนเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทําพระสรีระหิดแล้วได้รูปรวมพระธาตุพากันสร้างพระพุทธสถูปไวหน้าที่นั้นสถูปชั้นที่หนึ่งทาด้วยทองคาชั้นที่สองทำด้วยแก้วมณีชั้นที่สามทด้วยเงินชั้นที่สี่ทำด้วยแก้วพลึก ที่พระสถูปนั้นชั้นที่ห้าทำด้วยแก้วทับทิมชั้นที่หกทาด้วยแก้วลายชั้นบนทําด้วยรัตนะทุกอย่างร่างร้านทําด้วยแก้วมณีแท่นภัยธีทําด้วยรัตนะพระสถูปทําด้วยทองคําล้วนสูงหนึ่งโยต์ครั้งนั้นมูเทวดาได้มาร่วมประชุมปรึกษากันณนะที่นั้นว่าแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายพระโลกนาถผู้คงที่บ้าง พระสาเรฤกธาตุไม่แยกกันคือรวมเป็นกลุ่มเดียวกันพวกเราจากสร้างพระสถูปครอบไว้ที่พระพุทธสถูปนี้มูเทวดาได้ยขยายพระสถูปให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งโยต์ด้วยแก้วเจตประการพระสถูปนั้นจึงมีความสูงสองโยต์ซึ่งส่องแสงสว่างขจัดความมืดได้พวกง่าได้มาร่วมประชุมปรึกษากันณที่นี้ว่า มนุษย์และเทวดาเหล่านั้นได้สร้างพระพุทธสถูปแล้วพวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์กับเทวดาไม่ประมาทกันแล้วแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูวถวายพระโลกกนาาผู้คงที่บ้างพวกนาคเหล่านั้นพากันรวบรวมแก้วอินทนินแก้วมหานินและแก้วมณีโชติช่วยกันประดับพระพุทธสถูปไว้พระพุทธเจดีประมาณเท่านั้น จ้ดงด้วยแก้มณีล้วนสูงสามโยธสองแสงสว่างสวัยในเวลานั้นฟูงครุดได้มาร่วมประชุมปรึกษากันในครั้งนั้นว่าเทวดามนุษย์และนาคเหล่านั้นได้สร้างพระพุทธสถูปแล้วพวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์พร้อมเทวดาไม่ประมาทกันแล้วแม้พวกเราก็จกสร้างพระสถูปถวายพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้คงที่บ้าง สงครุดแม้เหล่านั้นได้สร้างพระสถูปสําเร็จด้วยแก้วมณีล้วนและผ้าคลุมก็เหมือนกันได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปให้สูงอีกหนึ่งโยต์พระพุทธสถูปสูงขึ้นไปสี่โยต์รุ่งเรืองอยู่ส่องที่ทั้งปวงให้สว่างสวยัยเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยเช่นั้นครั้งนั้นพวกกุมภพันได้มาร่วมประชุมปรึกษากันว่าพวกมนุษย์เทวดานาคและครุด ก็เป็นเหมือนกันหมดต่างก็ได้พากันสร้างพระสถูปที่อุดมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์พร้อมเทวดาไม่ประมาทกันแล้วถึงพวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่บ้างจากใช้รัตนทั้งหลายประดับพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปพวกกุมภภานแม้เหล่านั้น ได้ขยายพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยชน์ในครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปเป็นห้าโยศสว่างสวัยอยู่ครั้งนั้นพวกยักษ์ได้มาร่วมประชุมปรึกษาคณนนะที่นั้นว่าพวกเทวดามนุษย์นาคกุมภันฑ์และครุฑต่างได้พาคนสร้างสถูปที่ประเสริฐที่สุดบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพวกเราอย่าได้ประมาทเลย พวกมนุษย์พร้อมเทวดาไม่ประมาทกันแล้วแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่บ้างนำแก้วเปลือกมาประดับพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกยักษ์แมเหล่านั้นได้ขยายพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยชนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปเป็นหกโยต์สว่างสวัยอยู่ครั้งนั้นพวกคนทันมาร่วมประชุมปรึกษากันว่า พวกมนุษย์เทวดาหน้าครุตกุมภพและยักษ์ก็เหมือนกันพวกเขาทั้งหมดได้พากันสร้างพระพุทธสถูปแล้วในเรื่องพระสถูปนี้พวกเรายังไม่ได้สร้างเลยแม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาผู้คงที่บ้างครั้งนั้นพวกคนทันเหล่านั้นได้สร้างแผ่นภายทีเจ็ดแห่งจนถึงทางเดินพวกคนทันสร้างพระสถูปด้วยทองคำล้วน ในครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปเป็นเจ็ดยชดส่องแสงสว่างไสวจนไม่รู้กลางคืนหรือกลางวันเพราะมีแสงสว่างตลอดเวลาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พร้อมด้วยดวงดาวครอบงำรัศมีของพระสถูปนั้นไม่ได้ในที่ประมาณร้อยยอ์โดยรอบแม้ประทีปก็ไม่ชดช่วงโดยการนั้นมนุษย์พวกใดพวกหนึ่งจะบูชาพระสถูปพวกเขาไม่ต้องขึ้นพระสถูป เพียงโยนเครื่องสักการะขึ้นไปบนอากาศยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอภิสัมมตะที่พวกเทวดาแต่งตั้งไว้คอยรับธงหรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ยื่นขึ้นชนเหล่านั้นมองไม่เห็นยักษ์ตนนั้นเห็นแต่พวงดอกไม้ของยักษ์ที่ลอยไปอยู่ครั้นเห็นเช่นนี้แล้วจึงไปมนุษย์ทั้งหมดย่อมไปเกิดอย่างสุคติพวกมนุษย์ที่ไม่เชื่อในคำสอนและพวกที่เลื่อมใสในสาศาสนา ในความต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์จึงพากันบูชาพระสถู t ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นลูกแจ้งอยู่ในกรุงหงษ์สวดีเห็นชนพากันรื่นเริงบันเทิงใจจึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าชุมชนเหล่านี้พากันดีใจไม่อิ่มถึงสักการะที่ควรทำํำซึ่งปรากฏที่เรือนแห่งพระาธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ยิ่งใหญ่แม้เราก็จะทําสักการะแด่พระโลกนาถผู้คงที่ จักเป็นธรรมทายาทของพระองค์ในอนาคตเขาพเจ้าจึงเอาผ้าห่มของเขาพเจ้าที่ช่างย้อมซักไว้อย่างดีคล้องไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วยกเป็นธงไว้ในท้องฟ้ายกอภิสัมมาตะจากธงของเขาพเจ้านําไปในท้องฟ้าเขาพเจ้าเห็นแต่ธงถูกลมสะบัดได้ทําให้เกิดความร่าเริงอย่างยิ่งเขาพเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในธงนั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นสมณะรูปหนึ่ง พิพัฒน์ท่านแล้วได้สอบถามถึงผลในการถวายทงภิกษุรูปนั้นกล่าวถึงการที่ข้าพเจ้าเกิดความอิ่มเอิบใจในการถวายทงให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านจักได้สวยวิบากแห่งการถวายทงนั้นในการทุกเมื่อคองทัพสี่เหล่าเพื่อพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจักแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทงเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้น องที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทงเช้ารุ่นแปดหมนพันนางล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงามสวมใส่ผ้าอาภรอันงดงามห้อยต้มหูแก้วมณีมีตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจับแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทง ท่านจากเรื่องลมในเทวโลกตลอดสาม0 0ืกลับจะเกิดเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติแปดสิบชาติจากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพันชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพ่โบลนับชาติไม่ถ้วนเนกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกากา ก, าการาชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านจุติจากเทวโลกแล้ว ถูกคุสมมูลตักเตือนประกอบด้วยบุญกรรมจะเกิดเป็นบทของพราหมณ์ท่านจักละสมบัติประมาณแปสิบโตกทั้งทาตและกรรมกรจำนวนมากบทในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคดมท่านจักให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมศักยะผู้ประเสริฐทรงพอพระไทยแล้วเป็นสาวกมีนามว่าอุปวานะของพระศาสดา กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้เนื้อกลับที่หนึ่งแสนได้แสดงผลแก่ข้ขาพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากกิเลสดูดความเร็วแห่งลูกศรที่หลุดจากแรงไปดีแล้วฉะนั้นเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วเมื่อข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ธงทั้งหลายจากตั้งขึ้นรอบๆตลอดสามโยตในการทุกเมื่อเนื้อกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป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 ได้่าสึกข า, าเหล่านี้ด้วยประการาชนิอุปวานเถราประธานที่สองจบ